ละดังเงินขนาดนี้จึงวนสี่สิบพอดีพระสา 38, ม 2, สิบแปดเงินสองสิงสมบุติสงอยู่มีกิเลสมีตัณหามีอาสวะภายในรวงจิตดวงใจอยู่ องศาสดาของพวกเรากำจัดชำระกิเลสัญหาออกจากพระไทยดวงใจดวงพระไทยของพระองค์ท่านจนถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องในพระไทยของพระองค์ท่าน จิงได้ประกาศคำสอนถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องในพระไทยของพระองค์ท่านนั้นให้เห็นว่าดวงจิตดวงใจดวงพระไทยของพระองค์ท่านนั้นมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วพวกเราละ น, นึกถึงพระองค์ท่านความบริสุทธิ์ภายในดวงพระไทยของพระองค์ท่านนั้นเป็นบริสุทธิ์ที่คุณ เมื่อพระองค์มีพระผลอย่างนี้พระผลอันล้นเลิศประเสริฐเองส่วนหนึ่งที่เกียรติใจยังมีกิเลตันหาอาสวะยังไม่ถึงความบริสุทธิ์คุณค่าข้องความบริสุทธิ์นั้นล้ำเลิศประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายในโลก ความล้ำเลิศประเสริฐในดวงจิตดวงใจที่มีความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสตัณหาอาสวะนี่แหละเป็นของเลิศของประเสริฐสำหรับดวงใจตรงนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้ามีความเมตตาสงสารพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาญาณของพระพุทธเจ้าเมตตาสงสารแล้ว พระองค์มีความรู้ความฉลาดมีความสามารถด้วยพระปัญญาญาณพระองค์จึงใช้ความสามารถอ น, นอนี้สอนที่ว่าพระปัญญาคุณพระปัญญาที่คุณของผู้อ์ท่านสอนด้วยความเมตตาสอนด้วยความสงสาร ด้วยความบริสุทธิ์เห็นคุณค่าบทจดบริสุทธิ์จากกิเลสตัณหาอาสะวะในดวงจิตดวงใจดวงพระไทยเห็นเป็นของเลิศของประเสริฐถ้าบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งสามารถชำระกิเลสตัณหาอาสะวะออกจากดวงจิตดวงใจเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆส์วั้ง จะเป็นของเลิศของประเสริฐในจีวิตความเป็นอยู่ฉะนั้นพระองค์จริงได้วางแนวหลักธรรมคำสอนของผู้องค์ไว้สรุปมาเป็นข้อปฏิบัติก็คือศีลสมาธิปัญญา สำหรับเป็นข้อปฏิบัติที่พวกเราเป็นพระสงฆ์สมมติสมมติสงฆ์ตลอดถึงอุบาสกอุบาสิกาให้พากันดำเนินตามทางคือข้อวัดปฏิบัติเอาศีลเอาสมาธิปัญญาเป็นหลักจิตหลักใจสร้างความสำนึก ความระลึกนึกถึงความเป็นศิลเป็นผู้มีสมาธิจิตใจหนักแน่นเป็นผู้ใช้ความรู้ความฉลาดสามารถในเหตุในผลอะไรควรอะไรไม่ควรเป็นแนวทางข้อปฏิบัติของพวกเราทุกท่านทุกคน ถ้าไม่ยึดหลักศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นแนวทางปฏิบัติทาความภาคความเพียนที่พระองค์สงสารเมตตาสงสารดวงจิตดวงใจดวงนี้ที่เป็นสามัญชนเป็นทุชนเป็นภิกษุสงฆ์ยังเป็นผู้บีเกิเลตันหาอยู่ ถ้าเด็กเลี้ยงจากโอวาทรมคำสอนของพระองค์ท่านเจตใจดวงนี้นะ่ะจะไม่เป็นไปเพื่อสุขสมบัติคือดิพานสมบัติอย่างน้อยก็ยได้สวรรค์สมบัติภาปัญญายานของพระองค์ท่าน ยังรู้ในสิ่งที่พวกเรายังไม่รู้พ่อพรมของดวงจิตดวงใจพ่อพรมของดวงจิตดวงวิญญาณที่มีกิเลสทั้งหลายอยู่มีตัณหาทั้งหลายอยู่ความาพลาดพังเผลอไผ่ทําตามอำนาจกิเลสตัณหานี่มันจะเกิดเป็นบาปเกิดเป็นกรรม จากการกระทำที่จะเจตนาหรือไม่ก็าตามจะรู้หรือไม่ก็าตามถ้าทำตามอำ น, นาจของกิเลสตัณหาแล้วดวงจิตดวงใจดวงนี้ผลก็คือความเป็นบาปเป็นกรรมตกทุกข์ได้ยากทั้งปัจจุบันและอนาคตขอให้พวกเราทุกท่านตระหนัก แกดวงจิตดวงใจเชื่อมั่นในคำสอนขององคศาสดาเถิดว่าบุญมีจริงบาปมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงมรรคผลนิพพานมีจริงด้วยพระปัญญาญาณของพระ อ, องค์ท่านอย่างรู้ด้วยความเป็นทิพย์ไม่มีอะไรจะปิดบงังพระปัญญาญาณของพระ อ, องค์ท่าน ฉะนั้นในสิ่งใดที่เป็นอวาตคำสอนของผู้องค์ท่านในส่วนที่เหตุผลเพราะการกระทำด้วยอำนาจของกิเลสด้วยอำนาจของตัณหาให้พากันศึกษาในเหตุในผลใครควรในเหตุในผลจริงเหล่านั้นมันมีจริงๆเมื่อมีจริงๆงแล้วขอให้พวกเราทุกท่าน พยายามปลุกความสำนึกทุกวันทุกเวลาความรู้สึกภายในจิตใจของเราว่าสิ่งที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราแต่และวันแต่และเวลาคืออารมณ์ภายในจิตใจนั้นเป็นอารมณ์ของศีลของธรรมเป็นอารมณ์ของสติปัญญา ที่พิจิณารู้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นศีลเป็นธรรมเป็นข้อวัดปฏิบัติอยู่ไหมหรืออารมณ์ภายในดวงจิตดวงใจดวงนี้มันยังมีความปุ่นมัวเศร้าหมองความไม่สงบความฟุ้งซ่านความลำคาญความหนักหน่วงความกังวล ว่นวาอยู่แต่และวันแต่และเวลากระแสจิตยึดอารมณ์ประเภทนี้เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นอารมณ์ของปัญหาให้พากันรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวรู้ตั ว, ตวไวฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนพวกเราด้วยความเมตตาจริงๆพระากฏหากรุณาที่คน สงสารจริงๆจึงได้วางแนวคําสอนของพง่ท่านให้พวกเราฝึกพวกเราปฏิบัติเศรเรามีความมั่นใจว่าสิขาบทมาในพระปาฏิโมกขสำหรับของพลาสองร้อยยี่สิบเจ็ด สิยขาบทสองร้อยยี่สิเกียนนั้นมีแต่โทษมีแต่โทษมีแต่โทษโทษอย่างหยาบโทษอย่างกลางโทษอย่างละเอียดมีในนั้นหมดสามเณร <c oughs> ก็ให้ตรวจ ด, ดูสิยขาบทสิบของตัวเองเว้นอะไรเว้นอะไรสิยขาบทสิบของตัวเอง อุบาสกอุบาสิกา <c oughs> มีสถาอยู่ในฐานะรักษาสินแปดหรือรักษาสินห้าก็ให้มีความเช็ดงวดขวดขันในสิขาบทนั้นนั้นเพราะสิขาบทนั้นนั้นถ้าพลาดพังเผลอฝฟไปแล้วมันเป็นบาทร่วงละเมิดมากเป็นบาตมาก ล่วงละเมิดน้อยมีบาสน้อยถึงจะน้อยจะมากชื่อว่าโทษแล้วนํามาซึ่งภพทางนั้นถ้าพวกเราสํำนึกอยู่เสมอว่าหน้าที่ของพวกเรางดเว้นจากโทษงดเว้นจากไม่ดีความไม่ดีงดเว้นจากความชั่วเรารเก็จะได้ระวัง กายการกระทำของเราระวังวาจาคือคำพูดของเราระวังจิตใจคืออารมณ์ภายในดวงจิตดวงใจของเราอย่าหห้ไปเกี่ยวข้องต่อเนื่องกับอารมณ์ความโลภ ค, ความโกรธ ค, ความหลงตัณหาทั้งหลายเมื่อเราระมัดระวัง สิงที่จะทำให้ร่วงละเมิดขาดศีลตายเป็นบาปเป็นกรรมด้วยการกระทำด้วยคําพูดด้วยขับนึกคันคิดอยู่นี้ได้เชื่อว่าเราอยู่ในหลักธรรมคําสอนของพระ อ, องค์ท่านเมื่อเราอยู่ในหลักธรรมคาสอนของ อ, องค์พันของพระองค์ท่านก็ได้เชื่อว่าเราอยู่กับพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็คือทำคำสอนขององค์ท่านแทนองค์ท่านเมื่อเราสำนึกและเลิกจู่อย่างนี้ปฏิบัติอยู่อย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเราอยู่ในอยู่ในคนของพระอริยสงฆ์หน้าที่ของพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติสุปฏิปนโนเป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติดีเอาตรงไหนมาเป็นเครื่องวัดคำว่าปฏิบัติดีปฏิบัติดีกับปฏิบัติดีถูกหลักของศีลของธรรมศีลธรรมที่ว่านี่ <c oughs> เรื่องของศีลเรามีความมั่นใจว่าเราไม่ได้ล่วงละเมิดส่วนยหญ เมื่อเราไม่ล่วงและเมื่อส่วนหยากหยาไปกังบนก็สิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ก่อกวนจิตใจไม่ให้มีความสงบอบอุ่นและเยือกเยน็นฉะนั้นเมื่อเราไม่ดำเลิกเนึกถึงสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษอารมณ์ก่อกวนภายในจิตใจอย่างนั้น ก็ให้นึกถึงศีล <c oughs> ที่เป็นส่วนกลางและส่วนละเอียดส่วนกลางสังวรระวังอารมณ์ภายในจิตใจของเราญาณสังวรสังวรระวังอารมณ์ความนึกความคิดของพวกเรามันนึกมันคิดอะไรขึ้นมาสิ่งที่มันนึกมันคิดนั่น ถ้าพวกเราไม่ระวังตรงนั้นโมหะความหลงอารมณ์มันมาหลอกดวงจิตดวงใจของพวกเรามันจะหลงตามอารมณ์นั้นนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนญาณสังวรสังวรระวังอารมณ์ภายในจิตใจเป็นการรักษาศีลระบับร ะ, ะดับกลาง เมื่อเราตรวจดูจิตใจอารมณ์ลักษณะนี้อยู่ก็ได้ชื่อว่าเราสังวรระวังอยู่ในขอบเขตของสินเมื่อเราสังวนระวังอยู่อย่างนี้ <c oughs> มันไม่มีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามสลัดปัดละปล่อยทิ้งอารมณ์นั่น เมื่อไม่มีอารมณ์นั่นนั้นมาถึงเครื่องก่อควนใจของเราก็มีความปกติสุขสบายดูอารมณ์ของความเป็นสิ้นมีความปกติสุขสบายคือจิตใจไม่มีเรื่องจิตใจไม่มีปัญหาทำจิตใจของเราอย่าให้มีเรื่องทำจิตใจของเราอย่าให้มีปัญหา คือลักษณะทำจิตใจของเราให้มีความปกติดีบางเรื่องต่างๆเข้าสู่ความปกติเข้าสู่ความสบายแบบธรรมชาติคือใจไม่มีเรื่องใจไม่มีปัญหามันก็สบายน้อมนำเลึกเลิกถึงความสบายอันนี้เป็นเครื่องโยกมีส ต, ติรักษาอารมณ์อันนี้เป็นอารมณ์ของความเป็นศินเป็นธรรม ฉะนั้นริยะความภาคความเพียร <c oughs> เพียรระวังบาปที่ยังไม่เกิดอย่าให้มันเกิดได้แก่อารมณ์ที่เคยผ่านมาเลยรู้เลยเห็นอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเป็นสัญญาความจำความจดความจำอยู่นั่นน่ะเป็นอารมณ์สัญญาที่เกิดขึ้นมาก่อควนจิตใจของพวกเรา ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วสังวรระวังในสิ่งที่เป็นบาปแล้วสลัดปัดในขณะนั้นปล่อยทิ้งในขณะนั้นสิ่งใดยังไม่เกิดอย่าทำให้มันเกิดอย่าเนืกออย่าคิดอย่าปรุงอย่าแต่งถ้าเนืกอเชดไปถึงอารมณ์ประเภทนั้นอยู่ ก็ได้ชื่อว่าใจของเรานี่ยังอ่อนกำลังทางสติธรรมอ่อนกำลังทางสมาธิธรรมอ่อนกำลังทางปัญญาธรรมสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมนี่เป็นเครื่องคุ้มของจิตใจปกป้องคุ้มของรักษาจิตใจของพวกเราให้อยู่ในขอบเขตของความเป็นศีลเป็นธรรม เมื่อเราสร้างความสำ น, นึกภายในจิตใจ เ, เราเวทจากความชั่วทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดความชั่วไม่มีก็คือจิตใจสบายสบายจิตใจไม่มีเรื่องจิตใจไม่มีปัญหาก็ได้แต่จิตใจอยู่สบายสบาย เมื่อเราระลึกนึกถึงอยู่อย่างนี้ทำหน้าที่ของพระสงฆ์ตามเยี่ยนอย่างของพระอริยสงฆ์การทำเยี่ยนอย่างตามพระอริยสงฆ์นั้นข้อปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องฝึกเครื่องปฏิบัติเพื่อเป็นการกำจัดความอ่อนแอของสติเพื่อเป็นการกำจัดความอ่อนแอของจิตใจและปัญญา ที่มันอ่อนแดเราต้องสร้างความเข้มแข็งภายในจิตใจของเราขึ้น <c oughs> <c oughs> นึกถึงปารบการทำความภาคความเพียร <c oughs> การทำความภาคความเพียรในอริยบททั้งสี่เราจะพยายามปฏิบัติตัวของเรา พยายามหลีกเว้นจากสิ่งจากเรื่องก่อกวรทําให้มันก่อเกิดทางจิตใจแล้วมีปัญหากุ่นมัวทางจิตใจพยายามหลีกพยายามเลี้ยนทั world, no ้งทางนอกทั้งทางในหลีกเลี่ยนทั้งทางนอกคือไม่มีการโคกขี่วุ่นวายซึ่งกันและกัน หลีกเลี่ยงทางดังนัยคือละมัดระวังอารมณ์จิตใจของพวกเราอย่าให้มันตกไปกระแสของอารมณ์ที่เป็นกิเลสเป็นตัณหาละมัดระวังฉะนั้นการฝึกสตกิการฝึกนั่งสมาธิท่านให้กําหนดบริกรรมพุทธโธยกพุทธโธขึ้นมาเป็นบทบริกรรมก็ดีหรือยกลมหายใจเข้าออกเป็น เครื่องกำลัียว่าอาตาปานุสติกดีอันนี้ให้เป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นเครื่องอยู่ของสติเมื่อใจไม่มีเรื่องใจไม่มีปัญหาแล้วอริยบทที่พวกเรามีอยู่นั่นแ่ะให้มีความยินดีในการอยู่แบบอิสระ เราฝึกอยู่แบบอิสระที่นั่งให้เป็นอิสระเฉพาะเฉพาะเฉพาะตนที่เดินก็เป็นอิสระเฉพาะตนเฉพาะตนอย่าไปหาเรื่องคุด ค, คุกเควุ่นวายพูดคุยฟุ่งซ่านลำคาญขึ้นมาข้อปฏิบัติของผู้ปฏิบัติตามพระอริยสงสารของพระองค์ ปฏิบัติปฏิบัติตามคำสอนขององศาสดานั้นเรียกว่านอกจากสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีอย่างที่ว่าโอชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงตรงในปฏิปทาการทำความภาคความเพียรโดยเฉพาะยุคนี้สมัยนี้ปฏิปทาครูอาจารย์ของพวกเราฝึกปฏิบัติ หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเป็นครูเป็นอาจารย์เอกผลการประพฤติการปฏิบัติบรรดาลูกสิทธิ์ทั้งพระเพษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาหมดความสงสัยในดวงขีดดวงใจของครูอาจารย์ที่ท่านฝึกท่านปฏิบัติเมื่อหมดความสงสัยแล้วก็มีความมั่นใจว่า ครัาจารย์ของพวกเราที่ว่านั้นยุคนี้สมัยนี้พ่อเต็มปากก็คือพระอาหารหันต์ความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสตัณหาอาสวะในดวงกิตดวงใจของคราอาจา์ของพวกเราฉะนั้นปฏิปทาข้อปฏิบัติท่านพาดำเนินจึงเป็นปฏิปทาที่ถูกต้อง ไม่มีอะไรที่เกิดความสงสัยในปฏิปทาข้อปฏิบัติเยี่ยงยานปฏิปทาของข้อปฏิบัติหลวงปู่ทั้งสองนั้นนอกจากนั้น <c oughs> ครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับดับไปเราก็มีความมั่นใจว่าส่วนมากนันแะท่านเข้าถึงความบริสุทธิ์ในดวงจิต ด, ดวงใจของท่าน ฉะนั้นผลการปฏิบัติสุปฏิปโนอุชุ ป, ปฏิปโนนี่เป็นผลสมบูรณ์บริบูรณ์สมบูรณ์ในการฝึกในศีลในสมาธิปัญญาจึงเป็นยายยะปฏิปโนปฏิบัติเป็นไปเพื่อพ้นจากทุก์จากผลเมื่อปฏิบัติถูกต้องอยู่ในขอบเขตของศีลสมาธิปัญญาอยู่อย่างนี้ ในอารียบทที่พวกเราอยู่ลีเกลื่องจากเรื่องต่างๆจึงเป็นสามีจิปฏิปโนเป็นผู้ปฏิบัติชอบยิ่งความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่ที่นี่ย <c oughs> จึงเป็นเครื่องบ่งบอกว่าหน้าที่ของพวกเราเป็นสมมุติสงและยินได้ฟังแล้วดบเนินตาม หลักธรรมขององค์ศาสดาในศีลในสมาธิในปัญญาแล้วดูจิตใจของพวกเราฝึกจิตใจของพวกเราในอริยบทธรรมขอมเพียรนั้นละมั่นระวังอย่าให้มีเรื่องอย่าให้มีปัญหาเกิดขึ้นเรื่องปัญหาตรงนี้ก็หมายว่าอารมณ์ภายในจิตใจของเรานั่นน่ะมันมีเรื่องของกิเลส ความโงดหิตภายในจิตใจฟงสร้านภายในจิตใจอารมณ์โทสะภายในจิตใจอันนี้เป็นอารมณ์ของกิเลสไม่ใช่อารมณ์ของสินของธรรมฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้จาคาสละสละัด เมื่อพวกเราพยายามดูอารมณ์ภายในจิตใจอารมณ์ใดมันเป็นไปลักษณะของความโกรธความรู้ความหลงตัณหาในทางที่ผิดแล้วเล่หถึงนึกถึงคำสอนขององค์ศาสดาจาคะสลัดสละในสิ่งที่มันเป็นภัเมื่อพยายามทำดวงจิตดวงใจมีสติคุ้มครองรักษาอยู่อย่างนี้ ผลการปฏิบัติเกินสติมีความรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวมากมากกลายเป็นสัมปชัญญะหนักแน่นมั่นคงโดยรวงจิตดวงใจดวงนี้อารมณ์ที่เกิดขึ้นน้อยมากรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวเพื่อรู้ตัวแล้วเราไม่ได้ส่งกระแสจิตไปตามอารมณ์ประเภทนั้นจิตใจของเราก็ มันก็หนักแน่นไม่หว่านไหวสลัดปาดเท่งอารมณ์แต่ละอย่างแต่ละเรื่องเราสลัดปาดทิ่งด้วยสติปัญญาอันชอบทันยึงเปรียบเทียบเหมือนหนึ่งน้ำในใบบัว น้ำไม่ซึมซับซึมซับเข้าใบบัวใบบัวไม่ปล่อยให้น้ำซึมซับซึมซับเข้าไปถึงจะมีน้ำน้อยมากลงบนใบบัวสลัดไหลออกหมดมันเป็นกฎธรรมชาติเป็นบุกลาที่ฐานรูปเปียบ ที่จิตใจของเรามีสติเป็นกำลังมีสมาธิเป็นกำลังมีปัญญาเป็นกำลังอันนี้เป็นเครื่องเบลเซนสลัดสลัดระวังรักษาอยู่อย่างนี้อริยบทของพวกเราทําความเพียร <c oughs> ก็ได้ชื่อว่าพวกเราตื่นอยู่ไม่หลงไหลไม่หลับไหลาตามกระแสของโมหะความหลง อะไรพาตื่นกับพ่อจตเพาตื่นอยู่สมปัญญะรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวก็คือรู้จิตใจของเราแ น, น่งว่าจิตใจของเรามันอยู่ในอารมณ์อะไรอยู่กับเรื่องอะไรถ้าไม่ดูจิตใจแล้วจิตใจนี่มันจะอยู่กับเรื่องเรื่องไม่ใช่เรื่องนั้นเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษ เรื่องไม่แก่เรื่องเกิดขึ้นแล้วกําลังของสติของปัญญาที่เลสละสลัดปล่อยละบางปล่อยบางท่านยังเปรียบหมันว่าเทน้ํานลงใบบัวอย่าให้มันซึมซับซึมซาบเข้าสู่จิตใจของพวกเราอารมณ์ต่างๆนั้นถ้าพวกเราฝึกสติรักษาจิตใจฝึกกําลังใจ ให้มีความหนักแน่นมั่นคงมีปัญญาเลือกเฟนเลือกเฟนเลือกเฟนอารมณ์ต่างๆนั่นแ่ะที่มันเคยซึมซับเข้าไปในดวงจิตดวงใจดวงนั้นดวงจิตดวงใจนี่มีกาลังสติมีกาลังปัญญารักษาสลัดสลัดตลั ด, ลดฝึกตัวอยู่อย่างนี้ในอริยบทธรรมความเพียรพวกเราฉะนั้นเมื่อ เลือกถึงพระคุณของพระพุทธเจา้าคนพระธรรมกด็ดีในการทํำขมเพียนยกคําบริกรรมพุทโธขึ้นมาเดินจงกรมกาหนดพุทโธหรือกาหนดดวงใจผู้รู้กลับไปกลับมาในอริยบทจิตใจของเราไม่ได้ส่งไปตามกระแสสัญญาอารมณ์อันนี้คือฝึกอันนี้คือปฏิบัติในอริยบทนอกจากนั้นก็ เปลียน อ, อริยบทประเภทไหนหนั่งสมาธิหรือแล้วก็ฝึกฝึกก็คือฝึกสติฝึกใจให้มีสติฝึกสติให้อยู่กับใจนั่นแหละอันนี้เป็นนโยบายการทำความภาคความเพียร น, นอกจากนั้นแล้ว <c oughs> อันใดที่พวกเราพินิตริจนาที่จะเป็นการตัดกระแสของกิเลสตัณหาราคาให้เป็นผู้มักน้อยสนโน ด, ดดี อภิ j e c t i ตามยินดีในสิ่งที่เกิดที่ดีตามมีตามได้มีอะไรพอใจอันนั้นมีน้อยใ้ยน้อยมีมากเราด้วยจักขอบเขตให้อยู่ในควมพอเหมาะพอสมพอเหมาะพอควรที่เรียกว่าปัจจัยสี่ปัจจัยแปลว่าเครื่องอาศัยไม่ใช่ลว่าเครื่องบำรุง ถ้าเป็นเรื่องบำรุงแล้วเครื่องบำรุงแล้วมันจะาบำรุงกิเลสตัณหาที่เราใช้ปัจจัยเสียมเราก็นึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยเพียงแค่นั้นมันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นฉะนั้นเราจะไปกังวลหาเรื่องอะไรเวลาเหนื่อยเมื่อหิวขึ้นมาแล้ว ก็มีปัจจัยแต่ละอย่างทําตามหน้าที่มาเป็นเครื่องบําบัดทุกไม่ให้มันกํา เ, เริบเสิบสารขึ้นม า, มากอย่าหิวน้ำหรือเวลาขบฉันอะไรก็ตามแต่เราฉันให้เป็นปัจจัยเพียงแค่เป็นปัจจัยเพื่อเครื่องบําบัดทุกเท่านั้นเมื่อเราเนึกอยู่อย่างนี้ผลของการใช้ปัจจัยนั้น มันก็มีประโยชน์แก่สุขภาพร่างกายเรามากน้อยมีกําลังวังชามากน้อยกับใช้กําลังอานนี้มาทำความภาคความเพียรเดินโยกมภาวนาเราจะตั้งสัจจะที่ฐานงดเว้นประเภทใดบางครั้งบางข่าวบางท่านบางองค์งดการฉันบินธบาตวันหนึ่งบ้างสองวันบ้า ง, างหรืออาทิตย์สองอาทิตย์ อะไรก็ตามแต่พฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่สร้างความเชื่มแข็งให้ดวงจิตดวงใจของพวกเราทั้งนั้นเป็นการปฏิบัติถูกต้องตามปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ทำอย่างนั้น <c oughs> เราบม่ได้เอาความดีจากการอดอาหารนั้นอย่างเดียวนะ คืออดอาหารแต่ละอย่างแต่ละอย่างสมมติว่าจะอดอาหารพอดอาหารนั้นอะ่ะมันเป็นนโยบายตัดกระแสะกําลังของกิเลสตัดกระแสะกําลังของตันหาเฉยเมยเมื่อกิเลตันหาเหล่านั้นเราใช้ข้อวัดปฏิบัติเป็เครื่องตะกัดกั้นตัดกําลังมันในขณะเดียวกันวิถีจิตของพวกเรามุ่งต่อการทําความภาคความเพียรตันหา ฝึกสติในการทำความภาคความเพียรเดินยังความภาวนาตั้งหากเพราะอุบายนั้นเป็นอุบายที่ตัดกระแสของกิเลสตัณหาตังหากเรามาเสริมจิตใจของพวกเราให้เกิดขึ้นมีขึ้นในความเป็นศิลเป็นธรรมเพิ่มปริมาณส่วนนี้ขึ้นมาตังหากความอดความทนยังไม่เพียงพอแล้วก็ใช้ความอดความทนเราใช้ที่ไหนความอดความทน ถ้าไม่มีเรื่องไม่มีปัญหาไม่มีทุกข์เวทนาเราจะไปใช้อะไรที่ไหนที่มีเรื่องมีลามีปัญหามีทุกข์เวทนาเหนื่อยเมื่อยหิวอันนี้แบบพระพุทธเจ้าจังสอนให้ใช้ขันติคือความอดความทนอดทนต่อเรื่องเหล่านี้ไม่เห็นเรื่องเหล่านี้เป็นปัญหาจนทำลายกำลังใจของพวกเราให้เลือกล้มจาก การฝึกการปฏิบัตินอกจากนี้แล้วความภาคความเพียรวิริยะเป็นความเป็นธรรมเป็นปฏิปทาก็ปฏิบัติเราอยู่กับที่เดินจงกรมเราอยู่กับที่นั่งภาวนาเราอยู่กับที่สงบสงบของเราอิสฉะเฉพาะตัวเฉพาะตัวเฉพาะตัว ตจใจมันยังไม่สงบเราก็ทำความภาคความเพียรในอริยบทที่จงกลมนั่งสมาธิภาวนาในท่างกลางที่มันไม่สงบนั่นแหละไอ้ที่มันไม่สงบทำไมมันจึงไม่สงบเราดั่งสมาธิทาความเพียรเพื่อความสงบแท้ๆเราทำไม่หยุดทำไม่หย่อนทำไม่ปล่อยปากละเลยผลการปฏิบัติเราต้องเชื่อหลักคำสอนขององศาสดา งานที่พวกเราทำเมื่อทำดีแล้วมันจะปฏิเสธผลได้ยังไงฉะนั้นผลแห่งการปฏิบัติจึงไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนเหตุให้พวกเราเกิดวิติจิตฉาความดังเลสงสัยอะไรเมื่อจิตใจของเราอยู่กับสินกรรมอย่างนี้ ในขณะดเดียวกันกระแสของความเป็นกิเลสมันไม่มีในจิตใจที่เราตั้งมั่นอยู่ในสินในธรรมลักษณะของศินของธรรมเราทําจิตใจของเราให้ถึงอยู่คือถึงศินถึงธรรมแยกจิตใจออกจากกระแสของกิเลสเข้ามาอยู่ในระบบของความเป็นศินเป็นธรรมฝึกแยกจากกระแสกิเลสให้เข้าสู่ระบบของความเป็นศินเป็นธรรมในอริยบททั้งสี่ของเราอยู่นั่นแหะ มันแยกแยกแยกแยกแยกระจูอย่างนี้รู้ตัวอย่างนี้ระวังรักษาจิตใจของเราอยู่อารียบทการฝึกการทําวามเปลี่ยนที่นั่นที่นําฟังเทศฟังธรรมทุกวันทุกวันทุกคืนทุกคืนนั่นแหะแต่นํานั่งสมาธิทุกคืนทุกคืนทุกคืนไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องไกลนะนั่นนะคือเป็นการเพิ่มเติมความรู้จากความเป็นธรรมคําสอนขององค์ศาตดา เพิ่มปริมาณความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นมีขึ้นทางดวงจิตดวงใจของเราในการฝึกการปฏิบัติปฏิบัติตัวเราปฏิบัติใจเราปฏิบัติให้อยู่ในขอบเขตของความสงบปฏิบัติใจเราให้อยู่ในขอบเขตของความเป็นศีลเป็นธรรมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้รู้ตัวอยู่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ ถ้าเรารู้ตัวมีเติมีคุณค่าในการปฏิบัติจากการฝึกการปฏิบัติทุกวันทุกวันทุกวันทุกวั น, ว น, วนผลการปฏิบัติมันจะเกิดขึ้นมีขึ้นผลการปฏิบัติเกิดขึ้นมาเป็นคุณค่าเป็นผลแห่งการปฏิบัติ จิตใจของพวกเราก็มีความสงบเยือกเย็นมีความสงบอบอุ่นเพราะเราตั้งสติตั้งใจของเราอยู่ในความเป็นสินเป็นสมาธิมีปัญญาเลือกเฟนเลือกเฟนเลือกเฟนที่เรตัญหาไม่มาก่อกวนก็ได้เชื่อว่าเราอยู่กับสินกับธรรมสติธรรมสมาธิธรรม ดังนันฝึกปฏิบัติแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันต้องเน้นหนักลักษณะของความเป็นสินเป็นธรรมให้เรียนรู้อารมณ์สิ่งที่เกิดขึ้นมีขึ้นภายในดวงจิตดวงใจของเราเลือกเฟ้นถ้าเป็นอารมณ์ของกิเลสตัณหาที่ควบเคยเช่นมัวเมาอยู่แบบทางโลกที่พวกเราเคยได้ประสบพบเห็นอันนั้นเป็นอารมณ์ความเป็นทุกข์เป็นทษเป็นเรื่องกิเลสตัณหาล้วนๆอันนั้น ฉะนั้นเมื่อพวกเราเข้าสู่ในผ้าการร่มผ้ากาสาวพัดก็ควรฝึกเกียตฝึกใจของพวกเราให้อยู่ในร่มเงาของความเป็นศีลเป็นธรรมคําสอนขององค์ศาสดาอย่างที่ว่ามาดังน้การฝึกการปฏิบัติมันจึงมีประโยชน์จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกท่านทุกคนฉะนั้นผ่านเข้าใจเมื่อเทศนาธรรมมาถึงตรงนี้ เห็นว่าพอสมควรเจเวลาจึงขอยุติไว้เพียงแค่นี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่พวกเราทุกท่านโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเธิด